ยังไงเขาบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยสบายมากไม่เห็นผิดหรอกแล้วผิดเป็นยังไงหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะบอกโอ้ยทิฏฐิหกสิบสองมีอะไรบ้างทิฏฐิหกสิสองโอ้ยมันเข้าเราตั้งหลายข้อเนี่ยนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่านพรหมชารสูตรอ่านแรกๆเลยนะพลิกมาอ่านปั๊บนี่สูตรนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะเอะอ่านอันนี้เออนี้เราก็เห็นด้วยอ่านอีกที่หนึ่งอันนี้เราก็เห็นด้วยอ่านไปอันนี้เราก็เห็นด้วยเห็นด้วยทั้งหลายข้อ ตอนแรกเลยนะที่อ่านเนี่ยตอนที่ที่ไม่ได้เรียนธรรมะอะไรมากมายนะเริ่มจับพระไตรปิฎกทีแรกๆเลยนะอ่านพระมัชาแลสูตรอ่ะโอ้ทิฏฐินี่แหมโอ้เนี่ยมันต้องอย่างนี้สิทิฏฐิมันต้องเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพระองค์บอกว่าผิดอุ้ยงงเอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงอ่านอีทิฏฐิเออยอย่างงี้เราก็เห็นด้วยนะเอ้ใช่ใช่อย่างนี้แหละเอ้านี่ไม่ผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยนะนี่ก็มิจฉาทิฏฐิอีกอุ้ยงงไปหมดเลยนะตอนงงมากเลยตอนแรกๆอ่ะนะเมื่อ ตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยหงงไปหมดอันนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดมันเป็นความเห็นของเราทั้งนั้นเลยนะตอนหลังอ่านพระไตรปิฎกมากขึ้นมากขึ้นทําไมจึงผิดเราจึงอธิบายได้ว่าทําไมความเห็นแบบนั้นจึงผิดต่อเมื่อเข้าใจถูกแล้วจึงรู้ว่าไอ้ที่คิดแบบนั้นอ่ะมันผิดทําไมจึงผิดเมื่อก่อนก็ไม่รู้อธิบายไม่ได้รู้แต่เออนี่ยพระพุทธเจ้าว่าผิดว่าถูกดีว่านับถือพระไตรปิฎกเป็นสารณะเลยเขาอย่างชั่วหน่อย นะเออเราอาจจะผิดก็ได้เนี่ยเราเข้าใจไม่ถูกเนี่นะแต่พระไตรปิฎกขั้นคงไม่ทําผิดหรอกว่างั้นก็แต่ก็พยายามพิสูจน์มาเรื่อยๆใช่เราก็ผิดจริงๆนั่นแหละพระไตรปิฎกขั้นก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่บางอย่างนะเชื่อไหมก็สิบปีนะค่อยเข้าใจอ่ะนะเขาไม่รู้จะรีบไปไหนมันรีบไปได้แล้วนะเอาคนไม่รู้ทางรีบไปได้ไหมล่ะเอาคนที่ไม่รู้มิจฉามารักสมัมมามรรครีบไปไหนเนี่ยนะรีบไปหาคนบางคนนะ่ะหาคนบอกว่า สงสารตัวเองให้มากๆมานเนาะต่อไปทำที่เป็นอันตรายอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรปฏิสนธิของบรรเดอเดราชานอุปโตพยายามฉลกอันนี้ชื่อว่าอันตรายคือวิบากอันตรายคือวิบากเนี่ยหมายเขาว่าถ้าเราปฏิสนิปฏิสนธิที่เป็นอเหิยตุกะกําเนิดมาเนี่ยยังไงชาตินั้นก็ไม่บรรลุมรรคผลเช่นงูเนี่ยนะเอรักปะทนาคราชเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่ปฏิสนธิเป็นเดราชานเขาจะเป็นพระโสดาบัน เมื่อจบคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เขาเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานก็บรรลุทำไม่ได้อย่างเช่นชาติหน้าเนี่ยนะไมเกิดสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พอดีเราเป็นเดรัจฉานทาอะไรได้ใช่ไหมยังได้อุปถาพระพุทธเจ้าตั้งสามเดือนเหมือนใครเหมือนพญาช้างเนี่ยนะอุปถาพระพุทธเจ้าสามเดือนแต่เป็นอาเหตุกัปฏิสนธิปองก็บอกว่ายังไงเธอก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะ มันไม่รู้อะไรจะเอาอะไรมาสอนให้เธอบรรลุได้อย่างเก่งก็ทำให้เป็นแบบเหมือนกบอะนะทำให้ตายไปเป็นเทวดาก่อนตายเมื่อไปเป็นเทวดาเป็นติเหตุกปะปฏิสนธิแล้วก็ค่อยมาฟังธรรมแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่แม้ไม่รู้จะบอกเดราชาให้เจริญกุศลได้อย่างไรนั่นนะ หลายท่านก็เลี้ยงหมารักหมามากก็ช่วยให้หมาไปสวรรค์ดูเธอเนี่ยนะทำสาเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะก็มาบอกว่า อ, อย่าว่าหมาเลยเอากญาติญาติเราที่แหละนะเอาค น, คนที่พอคุยภาษาคนรู้เรื่องก็ทําท่าจะไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเนี่ยนะบางคนเราก็บอกเอ๊ะมันน่าจะได้นะเอาไปเอามาเอ๊ะนี่ยังไงกันแน่เนี่ยมันชักไม่ได้อีกแล้วเนี่ยตอนแรกเขาดูทําท่าจะศีลดีทํางามเอาไปเอามาเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะถ้าไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ยากแล้ว ปัญหาอันตรายยิ่งก ร, รมห้ามสวะห้ามนิพานเลยก็คือปฏิสนธิที่เป็นอาเหตุกะหรือทวิเหตุกะเนี่ยนะทวิเหตุกะข้อต่อไปอีกการว่าร้ายพระอาริยเจ้าก็เป็นอันตรายยิกธรรมคือถ้าไม่ขอขมาพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้าไม่ขอขมาพระรัตนตรัยไม่ขอขมาพระอาริยเจ้าให้พระอาริยเจ้าอดโทษถ้าหาว่าพระอริยเจ้าอดโทษแล้วก็ไม่ห้ามแต่ถ้าพระอริยเจ้าไม่อดโทษ ห้ามมันมีมีเรื่องก็มีพระพระสองรูปไปบิณฑบาตแนะอาจารย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์เนี่ยเป็นพระโสดาบันเดินบิณฑบาตไปด้วยกันแตและอาจารย์นี่เป็นโรคลมไปบิณฑบาตได้ข้าวต้มมาท่านก็แวะข้างทางแล้วก็นั่งยองๆดื่มข้าวต้มระหว่างทางลูกศิษย์ที่เป็นพระโสดาบันเดินมาตามบอกอ้พระเถระรูปนี้เนี่ยนะ แค่นี้ก็อดทนไม่ได้เนี่ยมานั่งฉันตรงนี้ทำให้เราอับอา ย, ายขายขี้หน้าเข้าไปหมดเลยเนี่ยนะแค่นี้ก็ทนไม่ได้นึกตำหนิตำหนิอาจารย์ตัวเองนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอเสร็จอีกพักหนึงอาจารย์ก็ถามว่าท่านตอนนี้ท่านได้อะไรบอกเป็นพระโสดาบันครับบอกเออท่านคงเป็นอย่างนี้อีกนาน น, นะลูกศิษย์ก็เข้าใจเลยว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลต่อไปท่านก็ขอโทษ น, นะท่านรู้ว่าไอ้ความคิดที่คิดเมื่อกี้เนี่ย ม, มันพลาดเพราะว่าบุคคลที่เป็นท่าเริยเจ้าทั้งหลายแยกออกอยู่แล้วว่าอะไรมีโทษกับ ไม่มีโทษความคิดบางอย่างพลาดออกไปก็พร้อมที่จะสมาทานแล้วก็ทําคืนคือเป็นบุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสํารวมระวังต่อไปเพรา ะ, ะนนคนที่อย่างตําหนิว่ารา้าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่อดโทษไม่ให้ท่านอดโทษเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างวัสการพราหมณ์ตำหนิพระมหากัจจยนะว่าเป็นเป็นเลงนะนะตัวเองก็ได้เป็นอุรังอูตังนะก็เลยได้เป็นลิงเลยแหละเลยแต่ที่ไอความที่มานะมากไม่ขอโทษสั่งให้คนไปปลูกกล้วยไว้เลย นะตัเองเป็นลิงแล้วจะได้เป็นกินกล้วยต่อใช่ไหมมันก็ลําบากนะถ้าไปอาบายน่ะส่วนอันนี้เฉพาะพระภิกษุเลยก็คืออาบัตเจกองที่ภิกษุจงใจล่วงละเมิดอันนี้ชื่อว่าอันตรายกรรมคืออาณาวีติกมะอันนี้ถ้าหากว่าไม่ทําคืนนะไม่ทําคืนถ้ามีอาบัตติดตัวเนี่ยนะก็คือเนี่ยนรกกับ เดรัฉานถ้าหากว่าไม่ทําคืนนี่ก็ถือว่าอันตรายมากในการเป็นอบัติเนี่ยนะอันตรายยกึกธรรมคือการเป็นอบัติติดตัวเนี่ยนะหนึ่งถ้าหากว่าเป็นอบัติปราชิกถ้ามยังปฏิญาณว่าเป็นภิกษุอยู่ก็บรรลุบันรุไม่ได้ใบบรรลุเอ่อคือว่าเกิดในสวรรค์แล้วก็บรรลุมรคผลนี่ผ่านไม่ได้ถ้าเป็นปราชิกแล้วก็ยังปฏิญาณว่าเป็นพระภิกษุอยู่หรือเป็นสังฆาธิเศษแล้วไม่อยู่ปริวาส หรือถ้าเป็นอบัตต่ําลงมาก่านั้นถ้าไม่ทําคืนเป็นอันตรายยิดกระทแต่ถ้าหากว่าเป็นพระพิสุแล้วก็ศึกษาลาเพศไปหรือไปบวชเป็นสัมมาเนศหรือว่าเป็นสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาหรือเป็นอบัตต่ํากว่านั้นก็แสดงคืนในสำนักของสงฆ์หรือของบุคคลก็พ้นจากอบัตได้หมายความว่าเมื่อทําคืนแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสวรรค์และต่อพระนิพพานเพราะมีสมัยพุทธกาลมีพระพิสุบางกลุ่มที่เป็นปราชิกเนี่ยนะ ตอนหลังท่านก็มาบวชเป็นสัมมาเนนก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเพราะนั้นก็ก็ทําคืนได้ลหลายเรื่องนะถ้าพลาดผิดไปก็ทําคืนได้แต่สําหรับพระอริทธะภิกษุรูปนี้นะที่เป็นคนที่มีความเห็นผิดมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้ที่บังเกิดบอกว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วโดยประการที่ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมกระทำซึ่งอันตราย ทำเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงน่ยนะคนที่ออกมาคัดค้านอย่างนี้ได้ก็ต้องคนมีการศึกษาหน่อยใช่ไหมต้องเป็นคนที่เรียนมามากก็บอกว่าภิกษุนี้เป็นพู้หูสูนเรียนพระธรรมมามากเป็นธรร ม, มกัจึกนักแสดงธรรมนะเป็นนักบรรยายธรรมเลยแหละ รู้อันตรายยกธรรมที่เหลือเขารู้นะว่าเออเนี่ยอ น, นันตนนเรีย ก, กรรมหเป็นต้นมีโทษอย่างไรกิเลสมีโทษอย่างไรถ้าปฏิสนธิด้วยอเหิตุกะหรือทวิเหตุเป็นอย่างไรถ้าหาว่าไปว่ารา้ายพระเรียกเจ้าเป็นอย่างไรแต่เนื่องจากอริธาพิสุโรบนี้เป็นคนที่ไม่ฉลาดในพระวินยัยเมื่อในไม่ฉลาดในพระวินยัยจึงไม่รู้อันตรายยกธรรมคือการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอตัวเองเนี่ยไม่รู้พระวินัยบัญญัติวันหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ในที่ลับๆแอบอยู่ในที่เงียบๆ เ, เกิดความคิดขึ้นมาว่าครือขัดเหล่านี้เขาบริโภคกรมมาคุณห้าเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระอาหารหันก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระอริยะเนี่ยเป็นเป็นพิสูจนหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยมากกว่ากันสมัยพุทธกาลจริงๆนะเป็นคารวะมากกว่า ไม่ใช่หมายถึงผ้าทหารนะถ้าจํานวนผ้าทหารแล้วก็พระผ้าทหารกับพผ้านาคามีเนี่ยพระพิสูจน์มากกว่าแต่ถ้าจํานวนพระโสดาบันกับพระสกะทาคามียเนี่ยคารวะมากกว่าอย่างพระพิสูจน์ที่บรรลุที 184% ่งแปนี่พันเคยได้ยินบ่อยไหมยากแต่ถ้าคารวะมีบ่อยนะบรรลุทีส1บเอ็มื่เนี่ยคารวะทั้งนั้นส่วนใหญ่ พันสมัยพุทธกาลเขาก็ดูสิพวกคารวาสเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีอย่างเป็นพระโสดาบันบรรลุตั้งกายุเจ็ดขวบตอนหลังก็มีลูกตั้งเท่าไหร่นาวิสาขามีลูกตั้งสิบหคนใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายคนมีลูกเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดูสิเนี่ยพระสกะทาคามีเขามีลูกมีอะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคารวาสฉั้นใดภิกษุน่าจาฉะฉันนั้น คือเขาบอกเขาก็เกปรียบเขาดูดสิคารวะเขายังเป็นอย่างนั้นได้แล้วพระละ่ะทำไมพระจะเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นภิสูจนเนี่ยจะพิจาจรณารูปที่น่าพอใจที่เห็นด้วยตาก็ได้อ่า น, นะไปฟังเสียงไปรับสัมผัสที่น่าจะสบายทางกายก็ได้ใช้สอยเครื่องราชเครื่องราชที่อ่อนนุ่มคิดดูนะสมมุติว่าคือจริงๆเขาอยากเราบอกว่าสัมผัสหญิงกับเครื่องราชมันจะต่างอะไรกันเพราะฉะั้นถ้าสัมผัสผู้หญิงไม่มีโทษ เขาเข า, เขาความเห็นของเขามันเป็นอย่างงี้ก็เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรก็ไม่มีโทษเพราะฉะนั้นรูปภิกษุเหล่าภิกษุอริ tha เนี่ยเทียบเคียงรถกับรถหมายก็ว่าบริโภคกามกับบำเพ็ญสมณะธรรมไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกนะรวมการบริโภคด้วยอำนาจฉันทราคับกับไม่มีฉันทราคะเอาไว้ด้วยกัน อ้ยบริโภคแบบคนมีกิเลสกับไม่มีกิเลสมันจะต่างอะไรกันมันก็พอกันนั่นแหละเหมือนกันก็เลยเทียบเทียมผ้าผ้าละเอียดแบบอะไรนะเทียบเทียมกับเรื่องว่าเรื่องกิเลสกรรมที่มันหยาบช้ากับเรื่องของการประพฤติสมณะธรรมเนี่ยเอามาเปรียบด้วยกันเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหามันไม่ขัดกันหรอกมันไปด้วยกันเหมือนกันเถอะมันคล้องควบคู่กันที่จริงอ่ะเขาไม่รู้ว่าการเปรียบเทียบของเขาเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเหมือนกับเอาผ้าเนื้อละเอียด มาเปรียบกับผ้าปอที่หยาบเอาเขาซินเนรู้มาเปรียบกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดสรุปว่าเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับพระสัพพัญยุตยานความเห็นขัดแย้งกันเลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจะต้องมีบัญญัติปฐมปาราชิกด้วยอุตสาหะใหญ่อย่างนี้ทําไมต้องมาต้องมาบัญญัติปาราชิกว่าอันหนึง่งภิกษุใดเนี่ยนะพิสุใดเนี่ย อันหนึ่งพิสูใดเนี่ยถึงพร้อมด้วยพิสูตแล้วเนี่ยนะยังไม่ทําความทุรพลให้แจ้งนะไม่ได้ยังไม่ได้บอกลาสิกขาถึงการเสพเมถุนทำกับมนุษย์ก็ตามกับเดรฉ า, านก็ตามเนี่ยนะพิสูจนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวรมิได้อย่างเงี้ยทไมต้องแม่ต้องบันัญญัติปราชิกแล้วปราชิกเล่มหนึ่งนะั้นมันยาวเฟ้ยเลยเนี่ยมีต้งเป็นร้อยหน้า ที่จริงอะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเศษเมถุนทำมีเป็นร้อยหน้าทำไมต้องขยันเทศขนาดนั้นอะนะคล้า ย, ายกับว่าตําหนิพระพุทธเจ้าอขยันบัญยัติจังเลยอะไรเงี้ยนะไม่เห็นว่ามันจะไปมีปัญหามาเห็นมันจะไปมีโทษอะไรตรงไหนว่างั้นก็เลยเท่ากับเที่ยวว่าขัดแย้งกับสัพพัญยตยานประหนึ่งกัน้นประหนึ่งกั้นมหาสมุทรบอกว่าโทษในพระวินัยบัญญัติไม่มีหมายคำว่าถ้าล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติไม่เป็นไรหรอกว่างั้นอะนะ เป็นไรไม่มีปัญหาล่วงกว็ล่วงไปเนี่ยนะเห็นเป็นไรเลยแบบนั้นอันนี้หนึ่งแหละเป็นความเห็นที่คัดแย้งกับขัดแย้งกับพระธรรมวินัยอย่างรุนแรงคัดค้านเวสารัชยานไม่ใช่หรอกปฏิเสธเลยว่าที่พระองค์บอกว่าเนี่ยเป็นอ่านิยานิอ่าเป็นอันตรายที่กระทำว่าการทําอย่างงี้เป็นอันตรายไม่อันตรายหรอกเนี่ยนะ ก็ตอนหลังก็มีบางคนก็บอกอุย้ยขณะเสพเมถุนธัมก็เจริญกรรมฐานได้อันนั้นก็เกินไปนะนะก็มีในยุคหลังเนี่ยออกมาไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงไม่ทราบไอ้รัฐที่โรคระบาดอันนี้มันกระดั้นอุบาทขึ้นมาในโลกพุดขึ้นมาได้เนี่ยนะว่าขณะที่เสพเมถุนธัมก็เจริญกรรมฐานได้เจริญสติปัฐานได้เนี่ยนะซึ่งเป็นความเห็นที่ชั่วช้าเลวร้ายมากไม่น่าจะมีขึ้นในโลกแต่ก็มีจนได้เนี่ยนะคือคือมันเป็นไปได้ยังไงไม่ทราบ น, นีนะ แล้วก็เป็นการคัดค้านเวสารัชยานแล้วก็เป็นการใส่ตอใส่น้าลงในอารยมรักษ์นเนระียกว่าเอาตะปูลงในอรรยมรักษ์วังนนั้นนะใส่ปโปรยตะปูเนี่ยนะปโปรยตะปูปโปรยตอไม้ปโปรยน้ำปโปรยสิ่งมีพิษมีโทษลงในอรยมรักเป็นการประหารอาณาจักรของพระพุทธเจ้าชินเจ้าเป็นการออกมาทำลายาศาสนาตรงๆเลยว่าโทษในเมถุนทำไม่มี บางคนก็ระกว่าโดยที่สุดอย่างที่เขาพูดพูดกันบอกว่าเนี่ยเศพเมถุนธรรมก็เจริญกรรมาฐานได้เนี่ยนะเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นได้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดพลาดใช้ไม่ได้แล้วก็เสียหายเลวร้ายมากเป็นการคัดค้านกับคําสอนชนิดที่เรียกว่าตรงตัวเป็นความเห็นเช่นกับอริธาภิกษุเนี่ยนะทีนี้ภาริธาภิกษุเนี่ยเมื่อมีความเห็นผิดอย่างนี้พระภิกษุทั้งหลายก็ต้องการจะแก้ไข แก้ไขสําเร็จหรือไม่ก็คงเป็นวันเสาร์แล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้แก้ไขสําเร็จเถอนาะแต่พระริษทธแก้ไขไม่สําเร็จนะของเราเนี่ยจะแก้สําเร็จหรือไม่ก็ดูที่เราแล้วนะก็บอกกับสาเร็จหรือไม่แก้สําเร็จเป็นพระโสดาบันหรือไม่ <c oughs> ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกทา่านเนี่ยนะพ้นจากมิจฉาทิฏฐินะเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาที่ทําให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้